ข้อความในคุตกานิกายิติวุตกะจจตุการนิบาทนะครับปุริสสูตรข้อ289ดูก่อนูความพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึ่งถูกกระแสะแห่งแม่น้ำคือปิยรูปและสาตรูปพัดไปบุรุษผู้มีจักสุยืนอยู่ที่ฝั่งเห็นบุรุษนั้นแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าเนะ่บุรุษผู้เจริญ ท่านถูกกระแสแห่งแม่น้ำคือปิยรูปและสาตรูปพัดไปแม้โดยแท้แต่ท่านจะตกถึงห่วงน้ำที่มีอยู่ภายใต้แห่งแม่น้ำนี้ซึ่งมีคลื่นมีน้ำวนมีสัตว์ ร, ร้ายมีรากสดคือมีผีเสื้อน้ำเนี่ยนะย่อมเข้าถึงความตายบ้างความทุกข์างตายบ้างลำดับนั้นแล บุรุษนั้นได้ฟังเสียงของบุรุษนั้นแล้วจึงพยายามไหวทวนกระแสน้ำด้วยมือทั้งสองและด้วยเท้าทั้งสองนะครับดูความพิสูนทั้งหลายเราตถาคตแสดงข้ออุปมาณนี้แลเพื่อจะให้แจมแจ้งซึ่งเนื้อความนะนะที่พระ อ, อ, อุปมาณเมื่อกี้ใช่ไหมครับอุปมาณเหมือนกับว่าบุรุษนี่นะตกไปในกระแสนแน้า แกระแสน้ําที่เป็นปิยรูปสาธรูปเนี่ยนะเหมือนกับว่าไหลไปอยู่ในแกระแสแห่งแก้วแหวนเงินทองนะครับแก้วแหวนเงินทองมันอยู่ในแกระแสน้ําเนี่ยเป็นอันมากเหมือนกันแท้กำลังเพลิดเพลินในแก้วแหวนเงินทองซึ่งมีแต่อยู่ในน้ำ น, นะนะก็ถูกน้ําอันนี้พัดไปเรื่อยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วบุรุษผู้มีตาดีก็จะบอกว่าเ อ, อ้ยนี่ถ้าท่านไปตามแกระแสน้ําอันนี้นะท่านจะไปถึง ข้างล่างอ่ะถ้าท่านจมนะในนั้นอ่ะมีคลื่นมีน้ําวนมีสัตว์ได้มีรากสดท่านก็จะตายเลยจะทุกปางตายอยู่ในนั้นนะถ้าท่านยังคืนเป็นไปตามไอ้เรียกว่ากระแสแห่งเงินทองทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะทีนี้พอได้ฟังอย่างนั้นก็ทวนกระแสทวนกระแสก็ขึ้นฟังนะครับผู้ที่ได้ฟังก็เห็นโทษนะ น, นะที่พงษ์เอามากล่าวอุปมาอย่างนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้เห็นเนื้อความดังต่อไปนี้ว่า ดูความพิสูจทั้งหลายคําว่ากระแสะแห่งแม่น้ํานี่แหลเป็นชื่อแห่งตันหาคําว่าปิจรูปสาตรูปนี่นะครับเป็นชื่อของอายตนะภายในหกนะครับที่น่าปรารถนานี่นะครับคําว่าหูห่วงน้ําในภายใต้เป็นชื่อของออรัมภาคิยาสังโยชน้าคาว่ามีคลื่นคลื่นนี่นะครับเป็นชื่อของความโกรธและความแค้นใจคําว่ามี น้ำวนนะครับวังน้ำวนเนี่ยนะครับเป็นชื่อของกาลมาคุณห้าให้วนอยูน่ น, นะครับคำว่ามีสัตว์ร้ายมีรากสดเป็นชื่อของมาตุคามคำว่าทวนกระแสน้ำเป็นชื่อของเนคขมมะคำว่าพยายามด้วยมือเท้านะครับด้วยมือและเท้าทั้งสองเนี่ยนะเป็นชื่อแห่งการปรารบความเพียนคำว่าบุรุษผู้มีจักสุยืนอยู่ที่ฝั่งเป็นพระนามของพระตถาคต อรหันตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพิกษุพึงละกามทั้งหลายแม้กลับด้วยทุกข์เมื่อปรารถนาซึ่งความเกษมจากโยคะต่อไปพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะมีจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีถูกต้องวิมุตในการเป็นที่บรรลุมรักและผล น, นั้นพิกษุนั้นผู้ถึงเวทอยู่จบพรหมจรรย์แล้วถึงที่สุดแห่งโลกเรากล่าวว่า เป็นพูดถึงฝั่งแล้วนะครับนี่ก็เป็นข้อความในปุริสสูตรนะครับอธิกถาที่บายว่าบทว่านาทยาโสเตนะโอวิหะความว่าพึ่งถูกกระแสน้ำของแม่น้ำที่กระแสไหลเชี่ยวพัดลงไปใต้คือนำลงไปข้างล่างบทว่าปิยรูประสาตรูเปนะความว่า เขาคิดว่าเราจะเก็บเอาแก้วมณีและทองคำเป็นต้นหรือของที่น่ารักคือสิ่งของที่เป็นอุปการะแก่ทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่มีอยู่ในแม่น้ำนั้นหรือบนฝั่งนอกนะคือข้างหน้านะของแม่น้ำนั้นก็โดดลงไปในแม่น้ำนั้นแล้วจมลงนะคงจมลอยไปตามกระแสน้ำที่เป็นตัวการมีสภาพน่ารักน่าชื่นใจนะคบ มองในน้ำเข้าไปนี่มีแต่แก้วแหวนเงินทองมีแต่เพชรมีแต่พลอยอย่างนั้นเนนะหมามันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าต้องการเหลือเกินนะครับก่อนอนุญาตครับผมว่าอายตนะพัยคือเปียรูบสาตรโรปนะครับโรบที่น่ารักน่าเ ย, ย็นดีนะครับผมคิดคิดูดดนะว่าเอมมันน่าจะเป็นอายตนะภ่ายนอก คือย่างเช่นสีเป็นต้นเนี่ยฮะเพราเราเนี่ยเห็นสีแล้วเราก็เพลิดเพลิงงนงี้ฮะแต่นี่ท่านอนธิบายว่าเป็นอายตนะภายในมันก็เลยดูเอ๊ชอบกลนก็เป็นเชื่อของตาจริงๆนะครับเพราะว่าที่เราปรารถนาจริงๆเรายินดีตานะครับท่านหน้าปรารถนาจริงๆนะเอางี้ถ้าลองแบบในโลกนี้อะไรก็งดงามไปหมดแต่ถ้าเราตาบอดนี่เราชอบไหม <S <S ชอบ เ, เพราะว่าเราติดตามากกว่า น, นะครับ นะเสียงในโลกนี้เพราะพริ้งที่สุดนะครับแต่เราเป็นคนหูหนวกเสียงก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับถ้าหากว่าโอโ้โหกลิ่นน้ำหอมเนี่ยนะดีน่าชื่นใจหอมเย็นมากับดีใครก็อยากได้นะแต่เราจมูกเสียนี่ไม่รู้จะอเอามาทำอะไรนะครับอาหารก็บอกอร่อยมากเลยนะแต่เราลิ้นเสียนะครับลิ้นพิการไม่มีประโยชน์เลยนะครับ ก็บอกโอ้แต่ละอย่างนะสัมผัสดีๆทั้งนั้นเลยแต่เราเป็นอมาพาสอย่างเงี้เป็นอมพลึกอย่างงี้นะครับเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเนี่ยน ะ, ะเอามาประโยชน์อะไรหรืออะไรก็ตามนะครับดีขนาดไหนถ้าเราไม่มีใจไปรับรู้นะของเหล่านั้นก็ไม่รู้จะดีอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศบางประเทศนะครับสมบูรณ์ด้วยภาพทั้งหลายอะไรงดงามดีไปหมดเลยนะถ้าไม่เอาอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไปเกี่ยวข้องนะสิ่งเหล่านั้นเราเฉยๆครับ เพราะฉะนั้นที่น่าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจจริงๆคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่อยู่ในภายในนี่แหละแจมแจ้งนะพระเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละครับที่หน้าเพลิดเพลินก็ไปหลงไหลติดพันในสิ่งต่างๆนี่นะครับ สั์ว่ากินจาปิเป็นนิบาตใช่ในความหมายว่ายอมรับแต่ไม่สรรเสริญถามว่ายอมรับอะไรไม่สรรเสริญอะไรตอบว่ายอมรับสิ่งของที่น่ารักที่ชายคนนั้นประสงค์ว่ามีอยู่ในที่นั้นยอมรับนะว่าเออแต่ละอย่างน่าปรารถนารถบ้านแก้วแว่นเงินทองทองคําเป็นต้นเนี่ยเออมียอมรับแต่ไม่สรรเสริญการไปอย่างนั้นเพราะเป็นสิ่งมีโทษมีคําอธิบายนี้ไว้ว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญ แม้ว่าสิ่งของที่น่ารักที่ท่านต้องประสงค์จะหาได้ในที่นั้นซซแต่ในเพราะการไปอย่างนี้จะมีโทษอย่างนี้คือท่านจะต้องตกถึงห่วงน้ําข้างล่างแล้วถึงความตายหรือความทุกข์ปางตายนะครับเห็นเงินเห็นทองอยู่นะแต่ถ้าโดดไปแล้วมันจมนะครับมันไม่ได้เงินทองกลับมาอะไรหรอกแต่โดดไปแล้วมันจะจมไปในห่วงน้ําข้างล่าง น, นะ ก็แสดงว่าคนที่บอกนั้นเคยกระโดดลงไปมาแล้วพระพุทธเจ้าครับอันนี้เขาอุปมาเชื่อใชอนะให้เห็นว่าคนที่มีตาดีครับคนที่มีตาดีมองลึกมองเลยกว่าคนพวกนี้นะอย่างยกตัวอย่างนะครับในห่วงน้ําห่วงน้ำหนึ่งนะครับมองไปแล้วเนี่ยถ้าโดยสายตาคนธรรมดาเนี่ยมองเห็นแต่แก้วแหวนเงินทองนะครับเห็นแต่ของดีๆมีแต่เพชรมีแต่พลอยทั้งนั้นเลยแต่ชายอีกคนหนึ่งมองลึกไปกว่านั้นอีก แกโดดไปเนี่ยแกถูกฉลามกินนะปลาสัตว์ ร, ร้ายคลื่นวังน้ำวนอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยถ้าแกกระโดดไปนะไม่ได้ทองหรอกครับ ไ, ไปจมอยู่ในนั้นแหละนะครับผู้ลักษณะนี้ก็เหมือนกับพระพิสูจที่ศึกษาลาเพศไปเนี่ยนะของทั้งหลายมันหยดย้อยนะครับแต่ถ้าหลุดไปแล้วยากจะได้กลับมาคืนนะครับนะครับก็ลักษณะนั้นนะครับหเหมือนเราเลย เพราะฉะนั้นถ้าหาว่าตกไปในห่วงน้ำเนี่ยนะครับก็จะตายหรือว่าทุกข์บางตายนะครับบทว่าอธิเจธาเฮธาระหาโทความว่าในภูมิภาคตามกระแสน้ำด้านใต้แม่น้ำนี้ลงไปนี่มีสระใหญ่สระหนึ่งลึกและกว้างเลือเกินและสระนั้นนะ่ะเชื่อว่ามีคลื่นนะในสระข้างล่างมีคลื่นมากนะไอ้คลื่นเนี่ยคือฟองขนาดมหมาคล้ายกับยอดเขา แก้วมณีที่ก่อตัวขึ้นเพราะถูกลมพัดมารอบด้านนะคลื่นในคลื่นใหญ่ๆนะครับเหมือนกับท่านในทะเลก็เป็นพายุนะครับเป็นพายุเกลียวคลื่นนะครับโตเป็นภูเขาภูเขาวย่างนั้นนะแล้วก็เชื่อว่ามีน้ําวนนะเป็นวังน้ําวนเนี่ยนะครับหมุนตี้ยเลยนะโดยมีน้ําวนคล้ายกับไฟใต้น้ำเหตที่มีห่วงน้ําใหญ่ไพ่บูรนไหลวนอยู่ในที่นั้นๆัด้วยห่วงมหันนบของแม่น้ํานี้ ไหลเชี่ยวกรากมาก่อนในภูมิประเทศที่ไม่เสมอนะครับน้ำเนี่ยถ้ามันไหลามามจะหมุนเตี้ยวนะครับถ้าที่ที่น้ามันไหลเนี่ยนะครับถ้าหากว่าพื้นข้างล่างเนี่ยนะครับมันลึกกว่าธรรมดามันก็จะมาตกแล้วมันก็จะหมุนน่ากลัวมากนะครับตกแล้วนะครับตกมันมันจะดูดลงเชื่อว่ามีรากสดมีการจับกินสัตว์ใต้น้ำนะครับ คือมีการจับกินสัตว์เนี่ยนะครับคือเรียกว่าผีเสื้อน้ําเนี่ยมีใจดุร้ายน่ากลัวเลือเกินครอบครองสระนั้นอยู่ทําสัตว์ทั้งหลายที่ตกลงสู่ในห่วงน้ํานั่นเองให้เป็นเหยื่อของตนเป็นประจำอีกอย่างหนึ่งชื่อว่ามีสัตว์ ร, ร้ายนะครับคือโดยปลาร้ายและมังกรเป็นต้นนะครับชื่อว่าผีเสือ้อเพราะผีเสื้อน้ําตามที่กล่าวแล้วนะครับ แม่ฟังข้ออุปมาอุปไมยแล้วนี่เราฟังแล้วอืออะไรจะน่ากลัวปานนั้นแต่ว่าถ้าโดยธรรมดาทั่วไปนะพระภิกษุทั่วไปพอไปเห็นสัตว์ ร, ร้ายอย่างที่ว่านะชอบใจด้วยซ้ําไปนะครับะแต่พระ อ, องค์อแสดงให้เห็นโทษนะครับไม่รู้ว่าเบื้องหลังนั้นคืออะไรบทว่ามรนังวานิคัตชะสิความว่าชายคนนั้นถูกคลื่นเหล่านั้นซัดแล้วหรือตกไปในน้ําวนเหล่านั้นแล้วไม่สามารถจะโผล่ศีรษะขึ้นได้ จักถึงความตายยากครับที่จะมาโผล่อีกอีกอย่างหนึ่งบทว่าเข้าปากปลาร้ายหรือมังกรเหล่านั้นหรือตกอยู่ในเงื้อมมือผีเสื้อน้ำนั้นแล้วจักถึงความตายบ้างอีกอย่างหนึ่งเมื่อยังมีชีวิตนะคือมีอายุเหลือรอดพ้นจากความตายนั้นไปได้ก็จะเข้าถึงความทุกข์ปางตายคือความทุกข์หรือมีความตายเป็นประมาณ โดยถูกคลื่นเป็นต้นเหล่านั้นให้เกิดขึ้นแล้วและตีซัดแล้วบทว่าปฏิโสตังวายามิยะความว่าเขาเมื่อก่อนลอยไปตามกระแสน้ำแต่พอได้ยินคำพูดของชายคนนั้นแล้วเกิดความกลัวเป็นกำลังขึ้นว่าได้ทราบว่าอนัตะคือความชิบหายปรากฏแก่เราแล้วดูเหมือนว่าเรากลิ้งเข้าไปใกล้ปากมัจจุราชแล้ว จึงควรหมุนตัวกลับพยายามใช้มือและเท้าโดยเพิ่มอุตสาหะขึ้นเป็นสองเท่านะครับทวีคูณไม่ช้าเลยก็จะถึงฟังบทว่าอัทธสวิญญาปนายะความว่าเราตถาคตทำการเปรียบเทียบไว้เพื่อให้เข้าใจเนื้อความที่เกื้อกูลแก่การแทงตลอดสัจจะทั้งสี่นะครับข้าอุปมาเนี่ยนะเกื้อกูลต่อการบรรลุอริยสัจนะ บทว่าอยันเจเวทะอัตโตได้แก่ข้อความอุปมาที่ชักเอาอุปมาคือคำเปรียบเทียบมาเพื่อให้เข้าใจนี้นั่นเองคือคำที่กำลังกล่าวอยู่ในบัทนี้ได้แก่ที่เราตถาคตประสงค์เอาแล้วในที่นี้บทว่าตันหาเยตังอธิวัจนะนี้พึงทราบความคล้ายคลึงกันแห่งกระแสตันหาโดยอาการ4อย่างนะครับกระแสตันหาเนี่ยมีอาการ4อย่างนะครับ คือโดยการหลังไหลออกมาตามลำดับโดยการไหลทยอยกันไปไม่ขาดสายโดยเป็นเหตุให้จมลงโดยข้ามได้โดยยากอุปมาเสมือนหนึ่งว่าเมื่อมหามฆเบื้องบนหลังฝนลงมาน้ำจะเต็มลำธารละหานห้วย เคลื่อนจากลำธารเป็นต้นนั้นแล้วก็จะเต็มหนองเคลื่อนจากหนองนั้นแล้วก็จะเต็มลำน้ําน้อยคือคลองนะจากลําน้ําน้อยนั้นก็จะไหลเข้าสู่ลําน้ําใหญ่จากห่วงนะจะกลายเป็นห่วงน้ําห่วงเดียวไหลไปชาวโลกเรียกว่านทีโซตะกระแสน้ําชนนันใดนะก็พูดถึงถ้าหากว่าฝนมันตกลงมานะครับฝนมันตกมาที่ยอดเขาเป็นต้นเนี่ยนะตกหนักๆจริงๆเนี่ยนะครับ ฝนน้าทั้งหลายก็เริ่มรวมตัวกันนะครับรวมตัวไหลไปจากที่ดอนไปสู่ที่ลุ่มที่ น, น้ําก็จะบ่าไปเรื่อยๆนะครับทําแอ่งเล็กๆเป็นต้นนีให้ท่วมให้เต็มแล้วก็จะไหลไปสู่ลําธารน้อยๆนะครับจากลําธารน้อยก็ไหลไปสู่ลําธารใหญ่ก็ไหลเข้าไปสู่เรียกว่าแม่น้ํานะครับ จากแม่น้ำนี่มันก็ไหลเป็นกระแสเลยนะครับยาวใหญ่โตเนี่นะนนยนะเช่นแม่น้ำโขงเนี่ยครับมันก็ไหลมาจากประเทศจีนเป็นต้นเนี่ยนะเป็นห่วงน้ําที่มันใหญ่มากนะครับดังนั้นรัศมีที่จะใครจะข้ามเนี่ยเป็นกิโลนะครับเพราะว่าน้ํามันจะมาจากที่ไกลบางทีน้ําขึ้นสูงมากนะครับขึ้นสูงซะจนน่ากลัวนะครับระหว่างนั้นเนี่ยใครคิดจะข้ามก็ยากนะเป็นกระแสน้ําเป็นนตีโสตะวังนั้นเนทีนี้อุปมาให้เห็นว่าความโลภในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้น มีประเภทเป็นอันมากด้วยสา ม, มารถแห่งอารมณ์ที่มีอยู่ในภายในและภายนอกเป็นต้นก็ฉะนั้นเหมือนกันเกิดขึ้นแล้วก็จะถึงความเจริญยิ่งขึ้นตามลําดับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่ากะระแสตันหานมันยินดีในภายในยินดีในภายนอกนะครับตันหามันจนมันชุ่มไปหมดเลยนะครับเป็นเหมือนกะระแสน้ําจริงๆยกตัวอย่างเช่นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับขณะไหนบ้างครับที่ไม่ถูกตันหาท่วมทับเนี่ยนะครับที่ไม่ถูกกะระแสตันหาท่วมทับเนี่ยนะ อย่างพ้องพวกเราทั้งหลายนี่นะครับถ้ากุศลจิตไม่เกิดไม่เอาธรรมวินัยมาตรึกนะครับมาพิจารณาเนี่ยนะที่เหลือไปตามอำนาจกระแสตันหามหมดเลยนะครับเช่นคิดถึงคนนั้นทีคนนี้ทีไม่ใช่กุศลนะครับส่วนใหญ่แล้วกุศลน้อยมากนะครับถ้ายิ่งไปเข้าไปในในเมืองเป็นต้นด้วยแล้วนะครับกุศลจิตเกิดยากเต็มทีนะครับ ก็เอาทานศีลภาวนามาเปรียบเทียบดูสิครับเอาศีลสมาธิปัญญามาวัดดูว่าขณะไหนบ้างจิตเป็นไปกับศีลสมาธิปัญญาเป็นไปตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างนะครับนัที่เหลือนั้นเป็นไปกับตัณหาทั้งหมดเลยจึงเรียกว่ากระแสตัณหามันมากเหลือเกินนะครับอันหนึ่งกระแสน้ําตั้งแต่ไหลมาจนถึงตกในมหาสมุทรนี่นะครับ เมื่อไม่มีปัจจัยที่จะให้มันขาดก็จะยังไม่ขาดไหลติดต่อกันไปตามลําดับชั้นใดนะก็ไหลตั้งแต่ทะเลเนี่ยแหละไหลตั้งแต่เมืองจีนนะเช่นไอแม่น้ําแม่น้ําโขงอย่างที่ว่าไปนะครับก่อนที่จะมาเป็นแม่น้ําโขงไม่ทราบแม่น้ำอะไรมันก็จะไหลอย่างนี้มาเรื่อยนะครับไปโน่นแหละครับตกที่ถึงทะเลที่ประเทศเขมรเนี่ยนะหรือแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยนะครับมันก็ตกที่ปากน้ำนะทั้น น้ำเหล่านั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่ายังมีฝนอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆนะครับฝนไม่แรงเนี่ยนะไม่แรงหลายสิบ ป, ปีเนี่ยนะแม่น้ำนี่ไม่มีขาดนะครับมันจะไหลลงทะเลอย่างนี้ไปเรื่อยไม่ขาดว่างั้นหรไหลทยอยไปไม่ขาดแม้กระแสตันหาก็เช่นนั้นเหมือนกันเริ่มต้นแต่ไหลมาเมื่อไม่มีปัจจัยที่จะให้มันขาดก็จะไม่ขาดลงไม่มีอารยมครคที่มาตัดมันขาดเนี่ยนะครับมันก็จะไหลไปแบบนี้แหละ จะมุ่งหน้าสู่สมุทรคืออบายไหลไปโดยไหลทยอยกันไปไม่ขาดสายนะครับเพราะฉะนั้นเทวดาและมนุษย์เป็นต้นก็พากันไหลทยอยไปสู่นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานนะครับดีนะว่ามีพระาศาสนาของพระผู้มีพระภาคมากั้นกันไว้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะถ้าหากว่าเกาะเชือกคือพระธรรมคําสอนเป็นต้นไว้ไม่ดีนี่นะครับอบายเนี่ยหวังได้เลยนะครับมันไหลไปอยู่แล้วนะครับ ใครจะมาช่วยแต่กระแสน้ําจะให้สัตว์ที่ตกลงไปภายในกระแสจมลงไม่ให้โผล่ศีรษะขึ้นมาได้ให้ถึงความตายความทุกข์ปางตายบ้างฉั้นใดถึงกระแสตันหาก็ฉันนั้นจะให้สัตว์ผู้ตกลงไปในภายในกระแสของตนจมลงไปไม่ให้โผล่ศีรษะขึ้นมาได้ ให้ถึงความตายบ้างความทุกข์ปางตายบ้างโดยการตัดขาดรากกุศลธรรมให้ขาดไปและโดยการเข้าไปสู่สังกิเลธรรมทั้งหลายตัดกระแสแห่งศีลออกไปหมดนะครับตัดกระแสแห่งสมาธิตัดกระแสแห่งปัญญาออกไปหมดหรือว่าตัดกระแสแห่งทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยคันติสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบคานะครับ พันตัดกระแสแห่งคุณงามความดีนะครับจะถูก ป, ปริสูที่ศีลเนี่ยถูกตัดไปหมดนะครับสมถะ h a สี่สิบก็ถูกหลุดไปหมดนะครับกระแสแห่งวิปัสนาขันธ์ธาตุยตนะเนี่ยหลงลืมไปหมดนะครับตัดรากกุศลธรรมไปหมดเลยนะครับไม่ให้กุศลจิตเกิดขึ้นนะครับพิจารณาธรรมะทั้งหลายเลยแต่เขาก็ให้สัตว์เนี่ยนะครับหันหน้าไปสู่ตัณหามานะและก็ทิฏฐิสังกิเลทุดจิตทั้งหลายแหละก็จะพอกพูนไพ่บูนบริบูญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ เสร็จแล้วในที่สุดก็จะจมอยู่ในสังสารทุกข์นะครับอันหนึ่งกระแสของแม่น้ำไหลไปอยู่โดยความเป็นห่วงมหานตบเชื่อว่าข้ามได้โดยยากเพราะผู้จะข้ามจะต้องอาศัยชายฉลาดเพื่อผูกแพรหรือต่อเรือเพื่อนำส่งสร้างอัธยาศัยคือความตั้งใจเพื่อจะไปฝั่งนอกแล้วทำความพยายามที่เกิดจากอัธยาศัยนั้น จึงข้ามไปได้ไม่ใช่คนพอดีพอรารก็จะข้ามไปได้ชั้นใดนะครับการที่จะข้ามไ อ, อกระแสน้ำอย่างที่ว่านี่นะครับถ้าไม่มีคนฉลาดจริงๆนะครับที่มาผูกเรือต่อเรือต่อแพให้หรือว่ามาสร้างอัทยาสายให้นะครับหรือว่าจะแนะนำวิธีการไปสร้างเรือให้นี่นะครับไม่มีทางนะครับที่จะข้ามไปได้ด้วยลาพังตัวเองนะครับแม้กระแสตันหาที่เป็นเหมือนห่วงน้าคือกำ และห่วงน้ําคือพบก็ฉะ น, นั้นเชื่อว่าข้ามได้ยากเพราะผู้มีปัญญาเครื่องรักษาตนเพื่อจะบําเพ็ญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานต้องตั้งอัธยาศัยไว้ว่าเราจะบรรลุอรหัตผลแล้วอาศัยกัลยาณมิตรลงเรือคือสมถะและวิปัสสนากรรมฐานทําความพยายามโดยชอบจึงจะข้ามได้ไม่ใช่คนพอดีพอร้ายก็ข้ามได้นะอย่าไปคิดว่าใครก็จะข้ามได้หมดนะ นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข้อปฏิบัติอย่างข้อปฏิบัติตามวิสุทธิมรรคเนี่ยนะครับจึงมีคนปฏิบัติได้น้อยมากเพราะคนพอดีพอร้ายเนี่ยครับศึกษาก็เวียนหัวแล้วนะครับไม่ต้องว่าปฏิบัติตามนั้นหรอกครับคนพอดีพอร้ายเป็นยังไงก็เหมือนคนทั่วๆไปนะครับเรียกว่าคนพอดีพอร้ายนะครับถ้าคนที่ไม่สร้างสมอัธยาศัยในทางนี้มาก็ยากที่จะศึกษาได้นะครับ ประทามคาสอนนะถ้าไม่สะสมอัธยาสาัยทางนี้มานั่งฟังไม่ได้หรอกครับก็เห็นโยมเนี่ยพอเราขึ้นจะขึ้นธรรมะปั๊บเนี่ยนะครับเริ่มสับ ป, ประงกโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังทุระจะกลับบ้านทันทีนะครับแต่คุยเรื่องอื่นนี่ทุระน้อยมากนะครับไม่มีคุยไปนะครับคุยไปจนค่ําก็ไม่เรียบกลับแต่ถ้าบอกว่าเริ่มจะสนทนาธรรมนะจะมีอย่างนั้นอย่างนี้เข้าแล้วโอ้ยมันทั้งง่วงทุระมันก็จะเข้ามาอ น, นุนก็จําเป็นไอ้นี่ก็จะต้องทํานะครับ หาเวลาว่างไม่ได้เลยนะครับนั้นธรรมดาธรรมดานี่ยากจริงๆนะครับฉั้นเอ่คล้ายๆกับว่ากิจกรรมคือการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องสุดท้ายๆนะครับของชีวิตนะเป็นเรื่องท้ายๆของชีวิตที่ไม่มีความจําเป็นอะไรเลยนะครับโดยทั่วๆไปนะอย่ยวว่าแต่โยมเลยพ้านี่ยแหละครับหายากหายเย็นเหลือเกินครับครับแต่ก็ยังมีหลุดมาบ้างก็ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ควรเข้าใจความที่ตันหาเป็นเหมือนกระแสของแม่น้ำโดยอาการสี่อย่างคือโดยอาการหลังไหลออกไปตามลำดับโดยการไหลทยอยกันไปไม่ขาดโดยการให้จมลงโดยการข้ามไดะยากดังพันธนามาชนี่นะครับกระแสตันหาเนี่มันข้ามยากจริงๆนะครับก็แค่ข้อปฏิบัติหรือขึ้นเรือขึ้นแพแบบวิสุทธิมรก็ไม่มีใครอยากขึ้นเลยนะครับโอ้โหมันค่าจ้างแพงขนาดนี้เลยเลยนะครับดูน่น มันก็อยากนี่นะครับอยากไปต้อมแตบบต้อมแตบบนะก็อยากขึ้นฝั่งเอกนะครับมาสู่ฝั่งแห่งสกายะต่อไปหมายขึ้นเรือลําใหญ่เนี่นะครับเป็นวิสุทธิมรรคที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้เนี่ยนะครับโอ้ยรองโว้ยกันหมดเลยนะครับโอ้ยมันสัมเพราหรือธรรมนาวาคืออรรยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเนี่ยนะครับต้องคนมีบุญจริงๆนะครับก็อยู่ใกล้ฝั่งนําขึ้นไม่ไหวนะครับไม่มีบุญพอนะครับเห็นไนะ สิริย่อมไม่อยู่กับคนกันนักกันนีนะครับบทว่าปิยรูปรสาตรู ป, ปังความว่ารูปที่มีสภาพน่ารักในกาเนิดที่น่ารักชื่อว่าปิยรูปนะงามมากนะส่วนสภาพที่น่าอร่อยคือน่าชื่นใจในกาเนิดที่น่าอร่อยชื่อว่าสาตรูปหมายา็ว่า หน้าปราถนานะครับหน้าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจยั่วยวนชวนให้รักชักให้ใคร่เนี่ยนะครับพาใจให้ติดข้องนลักษณะนี้นะครับเรียกว่าปียรูปสาตรรูป ค, ครับครับก็แสดงว่าระหว่างปียรูปปียรูปกับสาตรรูปเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันอันเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่ามีเป็นในจํานวนหรือ ว, ว่าเป็นคําที่ทําให้ ค, ควาามหหลลยให้เห็นชัดว่ามันน่าปาถนานะงั้นนให้เห็นชัดว่ามหม่มันติดมันข้องไปหมดเลย เ, เพิงทราบวินิจฉัยในคำว่าอัจฉติการังนี้ต่อไปอายตนะทั้งหลายชื่อว่าอัจฉติกะนะคืออายตนะภายในยเนี่ยนะครับเพราะเหมือนเป็นไปแล้วโดยทํานองให้เป็นไปคือให้เป็นเรื่องเป็นราวด้วยความประสงค์นี้ว่าเราทั้งหลายจัดถึงการยึดถือเอาว่าเป็นอัตตาอย่างนี้ เพราะสำคัญนะที่ยึดยึดกันก็ยึดตานี่แหละครับสำคัญว่าตาเนี่เป็นอัตตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละครับว่าเป็นอัตตานะที่ยึดยึดกันส่วนใหญ่ก็จะยึดสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับว่าเป็นอัตตานะครับต่อไปว่าในคำว่าอัชติการังนั้นอัชตะภายในเนี่ยนะครับคำว่าอัชติกะนี่นะครับอัชตะภายในเนี่ยมีอยู่4อย่างนะครับคือ 1. โคจรอัชตะนะหมายถึงอารมณ์ภายใน2นิยกะ อัชะตะนะครับภายในอันเป็นของตนแล้วก็วิสยะวิสยัยอัชะตะคือวิสัยในภายในนะครับแล้วก็อัชะตะอัชะตะคือภายในจริงๆนะครับภายในภายในอีกข้างนะครับหมายถึงตัวภายในเลยนะบรรดาอัชะตะสี่อย่างนั้นอัชะตะนี้ที่ตรัสไว้ในคำทั้งหลายมีอะที่อย่างนี้ว่าผู้ยินดีแล้วในภายในเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วชื่อว่าโคจระ อัชะตะนะครับคือมีอารมณ์ภายในนั่นเองนะครับอันนี้ข้อหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ไปนค้นมาเลยนะครับว่าข้อความแบบพิสดารนี้เป็นยังไงนะครับส่วนอัชะตะนี้นะครับที่มาแล้วว่าความผ่องใสในภายในชีวิต น, นี้กับอัชะตะเช่นบวกชามทั้งหลายเนี่ยนะครับผ่องใสในภายใน ส่วนอัชตะนี้ที่มาแล้วอย่างนี้ว่าเพราะไม่ได้มนสิการถึงนิมิตพระโยคาวจรจึงเข้าถึงความว่างในภายในชื่อว่าวิสยะอัจชตะนะครับมันก็ไปดูเชิงอัดตามที่มานะครับในฉบับภาษาบาลีแล้วก็ค้นถึงที่มาว่าแต่ละแห่งนี้มีทธิบายว่าอย่างไรนะครับผมไม่ได้ค้นมาเลยมีหลายลายลายสูตรนะครับ อัชตะที่ตรัสไว้ในคำนี้ว่าธรรมะทั้งหลายที่เป็นภายในธรรมะทั้งหลายที่เป็นภายนอกนี่หมายถึงอัชตะอชตะนี่นะครับหมายถึงอายตนะนะอายตนะภายในอายตนะภายนอกนี่นะครับเรียกว่าอัชตะจริงๆแม้ในที่นี้ก็ประสงค์เอาอัชตะในข้อนี้นั้นอัชตะทั้งหลายที่เป็นภายในธรรมทั้งหลายที่เป็นภายในธรรมทั้งหลายที่เป็นภายนอกเนี่นะครับเข้าอ้างอะไรครับ อ่งอ่งที่มาว่าไงอัชตะอัชตาเนี่ยนะที่มาคือคำพีอะไรครับอ๋อทำภาังคินีนะครับต่อไปนะครับแม้ในที่นี้ก็ประสงค์เอาอัจชตะข้อนี้เท่านั้นคืออัชตะอัชตาเนี่ยนะที่หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกอย่างหนึ่งอายตนะทั้งหลายมีจักษุเป็นต้นที่มีอยู่ในภายในเหล่านั้นเมือนในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่า ธรรมะภายในธรรมะภายนอกชื่อว่าอัชตะเพราะอัดว่านะเพราะมีอัดตามที่กล่าวแล้วนั่นแหละคําว่าอายตนานังนั่นเป็นชื่อของอายตนะที่เป็นไปในภายในเหล่านั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับชื่อว่าอายตนานังเนี่ยนะครับส่วนศัพท์ว่าอายตนานังคืออายตนาอายตนาเนี่ยนะครับมีหลายความหมายนะครับมียที่บายว่าธรรมชาติทั้งหลายชื่อว่าอายตนะเพราะเป็นที่เกิดในอย่างหนึ่ง เพราะเป็นที่ขยายไปแห่งสิ่งที่น่าชื่นใจเพราะนําไปสู่วัตตะที่ยืดยาวนะคำว่ายตนะนะเป็นที่เกิดเป็นที่ขยายไปแห่งสิ่งที่น่าชื่นใจนะเพราะนําไปสู่วัตตะที่ยืดยาวเพราะว่าธรรมะทั้งหลายคือจิตและเจตสิกที่มีทวานนั้นนั้น บรรดาจักรคูทวานเป็นต้นนะครับเป็นที่ตั้งย่อมเกิดขึ้นคือตั้งขึ้นได้แก่สืบต่อหมายความว่าพยายามไปตามหน้าที่ของตนของตนมีการเสเวยอารมณ์เป็นต้นและอายตนะเหล่านั้นย่อมต่อคือขยายธรรมะเหล่านั้นที่เป็นสิ่งน่าชื่นใจนะครับนะก็คือจิตเจตสิกนี่นะครับมันจะเกิดก็เกิดที่อาศัยจักขคูเป็นต้นนั่นแหละครับแต่แล้วก็เวทนาสัญญาที่จะ สืบเนื่องไปก็อาศัยอายตนะเหล่านี้นี่แหละอันหนึ่งวัตทุกใดที่หมุนไปในสงสารที่ไม่มีใครตามพบที่สุดสังสารวัฏเนี่ยนะถอยหลังก็ไม่สุดนะครับถ้าจะปล่อยให้มันดําเนินไปอย่างนี้ก็ไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะคือยืดยาวเลือเกินอายตนะทั้งหลายจะนําไปคือหมุนไปสู่วัตทุกขนั้นดังนั้นธรรมเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตราเรียกว่าอายตนะโดย ประการทั้งปวงเพราะเป็นที่เกิดเพราะขยายสิ่งที่น่าชื่นใจและเพราะนําไปสู่วัาตฏะที่ยืดยาวเราเคยคิดนะชีวิตของเราเนี่ยมันไปเรื่อยนะครับเอาตาเนี่แหละแบกตาแบกหูแบกจมูกแบกลิ้นแบกกายแบกใจนี่นะครับจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งมันไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับแบกตาแบกหูอย่างงี้แหละครับไปไม่มีจบมีสิ้น น, นะ อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าชื่อว่าอายาตนาเนี่ยพราะหมายคำว่าเป็นสถานที่อยู vem, ่อาศัยเพราะหมายคำว่าเป็นบ่อเกิดเพราะเป็นสถานที่ประชุมกันเพราะเป็นถิ่นกําเนิดเพราะเป็นเหตุนะครับอย่างในทางโลกว่างั้นเถอะสถานที่เป็นที่อยู่อาศัยก็เรียกว่าอายาตนานะครับคือเป็นถิ่นที่อยู่เหมือนคําว่าอิสราญตนะนะครับถิ่นของพระอิศวรว่างั้นเถอะถิ่นหรือที่อยู่นะที่อยู่ของพระอิศวรว่างั้นเทวายตนะ ถิ่นหรือที่อยู่ของเทวดาหรือบางทีบอ่อเกิดก็เรียกอายตนะเหมือนกันเช่นสวรณาน า, นะตายต น, นะตนะ น, นะครับบอ่ อ, บอแก้วนะรัตายตนะนครับบ่อรัตนะเนี่ยนะครับบ่อทองบ่อแก้วบ่อเงินทั้งหลายเลเนี่ยนะครับแต่ในทางศาสนาสถานที่ประชุมกันก็เรียกว่าอายตนะเช่นในคาถาทั้งหลายว่านบทั้งหลายประชุมกันในที่อันเป็นที่รื่นรมใจหรือว่าถิ่นกําเนิดก็เรียกว่าอายตนะเช่น ทักคินาบทเป็นถิ่นกําเนิดของโคทั้งหลายหรือเหตุก็เรียกว่าอายตนะเหมือนกันเช่นเขาถึงภาวะที่จะต้องศึกษาในที่นั้น น, น, นั่นแหละเมื่อมีเหตุที่สมควรนะครับอันนี้ก็ขยายเกี่ยวกับสับแสงที่มาที่ไปก่อนนะครับทีนี้ถ้าบอกว่าอายตนะเนี่ยนะครับเป็นสถานที่อยู่อาศัยเนี่ยที่บายว่า ธรรมะคือจิตและเจตสิกเหล่าน ah, ั้นเหล่านั้นอาศัยอยู่ที่จักรุูทวานเป็นต้นเพราะมีพฤติกรรมเกี่ยวเนื่องกับจักรูทวานเป็นต้นเพราะเหตุนั้นจักรูทวานเป็นต้นนั้นจึงชื่อว่าเป็นสถานที่อยู่อาศัยของธรรมะคือจิตและเจตสิกเหล่านั้นนะครับที่อยู่ของจิตและเจตสิกเนี่ยนะครับ จิเตเจตสิกเนี่ยนะมันจะอยู่ที่ไหนครับทำไมอะอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็วุ้นอยู่ตามนี้แหละครับนะความรู้สึกนึกคิดมีไหมพ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจมีพ้นนะครับก็เพราะฉะนั้นที่เหล่านี้นะครับเป็นที่เกิดของนะเป็นที่เกิดเป็นที่อยู่ของจิเตเจตสิกนะครับสํานวนว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละครับเป็นบ่อแห่ง ค, ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายนะครับเป็นที่เกิดแห่งความรู้สึก ความนึกคิดการรับรู้อารมณ์ดีใจเสียใจเป็นต้นเนี่ยและธรรมะเหล่านั้นกลาดเกลื่อนอยู่ในจักรคูทวารเป็นต้นเหล่านั้นเพราะอาศัยจักขคูทวารเป็นต้นนั้นเพราะเหตุนั้นจักขคูทวารเป็นต้นจึงชื่อว่าเป็นบอ่อเกิดของธรรมะเหล่านั้นนะถ้าใครจะจับจิตเจตสิกก็จับพยายามจับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับจับในทวาร6กก็จะเห็นจิตและเจตสิกทั้งหลายนะครับ อาณาณานี้ชื่อว่าสถานที่ชุมนุมเพราะเป็นที่มารวมกันแห่งธรรมะทั้งหลายในจกักุทวารเป็นต้นนั้นโดยเป็นที่ตั้งลงและเป็นประตูนะเป็นที่ชุมนุมใช่ไหมครับคล้ายๆับว่าเป็นเป็นแหล่งนะศูนย์รวมแห่งจิตและเจตสิกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับศูนย์รวมแห่ง โลภะโทสะโมหะเนี่ยนะครับเวลาเขาจะไหลผ่านเขาก็ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะจับหาโลภะโทสะโมหะเป็นต้นหรือกุศลเป็นต้นก็อาศัยผ่านมาทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายและใจเรานี้ยแหละครับถ้าจะ ห, หาใครสักคนหนึ่งก็หาไปที่ประตูหรือที่อยู่เขาประจําเหมนะฮะ น, นี้ก็เหมือนกันถ้าจะหาจิตเจตสิกเป็นต้นเนี่ยนะครับคือเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณขันเนะี่ยนะจะหานา ม, มาขันทั้งหลายก็หาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนนะี่แหละ และชื่อว่าเป็นถิ่นกำเนิดเพราะธรรมะเหล่านั้นเกิดขึ้นที่จกักรคูทวานเป็นต้นนั้นนั่นเองโดยเป็นที่อาศัยของธรรมะเหล่านั้นทั้งชื่อว่าเป็นเหตุเพราะเมื่อจักสุเป็นต้นไม่มีธรรมะคือจิตและเจตสิกเหล่านั้นก็ไม่มีจึงเป็นอันว่าจากักรคูทวานเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรเรียกว่าอายตนะนะครับถ้าไม่มีตาเนี่ยจิตเจตสิกจะมีไหมครับไม่มี ปัญความรู้สึกนึกคิดทางตาจะไม่มีเด็ดขาดถ้าไม่มีหูจิตเจตสิกทางหูจะไม่เกิดถ้าไม่มีจมูกจิตเจตสิกทางจมูกจะไม่เกิดถ้าไม่มีลิ้นจิตเจตสิกที่อาศัยลิ้นก็ไม่มีถ้าไม่มีกายจิตเจตสิกที่อาศัยกายก็ไม่มีถ้าไม่มีภวังคือไม่มีวิบากจิตทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะภวังพระจิตเนี่ยนะถ้าไม่มีผวังนะครับโลกแห่งความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดจบสัทีหนึ่งนะครับ แต่ว่าเป็นอย่างนั้นไหมครับอาศัยตาก็มาทํากรรมใหม่เพื่อมีตาอีกนะครับมันเชื่อมต่อไว้หมดแล้วมีหูก็อาศัยหูทํากรรมใหม่มีจมูกก็อาศัยจมูกทํากรรมใหม่มีลิ้นก็อาศัยลิ้นทํากรรมใหม่มีกาย ก, ายก็อาศัยกายเหล่านี้มาทํากรรมใหม่นะครับเป็นต้นมันเมื่อทํากรรมใหม่ไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้นะครับมีใจก็อาศัยใจนี่แหละทากรรมใหม่เมื่อทํากรรมใหม่ก็สืบต่อให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะนายัตนาเนี่ยสืบต่อสังสารทุกข์ ที่ยาวนานไม่มีที่จบมีที่สิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระผู้มีประภาคตรัสอายตนะเพราะเหตุเหล่านี้คือเป็นสถานที่อยู่อาศัยเป็นบอ่อเกิดเป็นสถานที่ชุมนุมเป็นถิ่นกำเนิดแล้วก็เป็นเหตุนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเรียกว่าอายตนะภายในทั้ง6นะครับสรุปก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของจิตเจตสิกเป็นบอ่อเกิดของจิตเ <mêmes. S 2> จตสิกเป็นที่ชุมนุมของ <S <S จิตเจตสิกเป็นถิ่นกาเนิดของ จิตเจตสิกเป็นเหตุให้มีจิตเจตสิกนะครับคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจใจนี้เน้นไปที่ภวังขจิตนะครับเน้นไปที่พวังขจิต